กาลามสูตรธรรมะสำหรับผู้มีอุปนิสัยสดสดร้อนร้อนนะธรรมะถ้าลงด้รู้ในใจแล้วสดสดร้อนร้อนไม่ได้ไปคิดแล้วว่าครั้งนั้นครั้งนี้พอเจอเข้าไปปั๊บสดๆดร้อนๆ้อนเหมือนกันผู้เห็นธรรมแล้วเป็นผู้สดๆดร้อนร้อนตลอด กับพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลกันเลยเป็นอันเดียวกันยิ่งภูเป็นพระอาหารหันต์ด้วยแล้วเป็นอันเดียวกันเลยกับพระพุทธเจ้าห่างกันที่ไหนธรรมะเป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันแสดงออกมาก็แบบเดียวกันจึงไม่มีอะไรสงสัยแต่นี้มันไม่มีผู้ปฏิบัตินั่นสิคำว่าชาวพุทธชาวพุทธแต่เมืองไทยเรา แต่หาผู้ปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ไม่มีมันมีแต่ความรู้ที่จดจำกันมาแล้วก็หลอกกันไปหลอนกันไปผู้เรียนมาก็ไม่ปฏิบัติตามที่เรียนมามีแต่ความจำเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นั่นเห็นไหมแถวเรียนมาแล้วไปปฏิบัติธรรมะจะแสดงเหตุแสดงผลขึ้นมาภายในใจขอให้พี่น้องทั้งหลายนาไปปฏิบัตินะ หัวใจนี้ควรแก่การรับธรรมะด้วยกันทุกคนถ้าปฏิบัติแล้วธรรมะจะสัมผัสที่ใจจะรู้ที่ใจความแปลกประหลาดต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลจะมาปรากฏสดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละจำให้ดีนะจิตใจนี้ดีดดิ้นมากเพราะไม่มียาเป็นเครื่องรักษาไม่มีน้าดับไฟเลย มันจึงเป็นไฟทั้งวันทั้งคืนแต่มีการอบรมจิตใจให้สงบอารมณ์บ้างเป็นบางการเท่ากับน้ำดับไฟใจของเราก็จะสงบในเวลาบังคับบัญชาด้วยอัดด้วยธทรรมจิตใจสงบแล้วจะปรากฏเย็นขึ้นและแปลกประหลาดภายในใจตัวเองจากนั้นก็ยัางความเชื่อลงถึงอัดถึงธทมถึงมรรคผลนิพพานไปเลย นี้ก็พยายามต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ทําเลยมีแต่อ่านหนังสือเฉยๆเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาไม่เห็นมีแปลกประหลาดอะไรคือมีแต่แผนที่มีแต่แปลนบ้านแปลนเรือนเอามาไว้เต็มห้องก็เป็นห้องของแปลนบ้านแปลนเรือนไม่ได้นําแปลนออกมากลางแล้วปลูกสร้างตามแปลนมันก็ไม่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเป็นตึกรามบ้านช่องขึ้นมา ก็เป็นแปลนเต็มห้องอยู่นั่นแหละอันนี้ตำับตำราพระพุทธเจ้าก็มีถึงสามปิดกพระสุตตันตปิดกหนึ่งพระวินัยปิดกหนึ่งพระอภิธรรมปิดกหนึ่งนี่เรียกว่าแปลนเรียนมาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตาม ระสุตันตาปีดกพระวินัยปีดกพระอภิธรรมปีดกมรรคผลนิพานจะอยู่ที่นั่นตึกรามบ้านช่องออกไปจากแปลนก็อยู่ที่แปลนเป็นผู้ชี้บอกนี่ก็เหมือนกันให้เราปฏิบัติทุกคนนะโลกจะได้ชุ่มเย็นกับอัดกับธรรมที่จะให้ชุ่มเย็นตามกิเลสตัณหาไม่มีใครมีทางที่จะได้ชุ่มเย็น มีแต่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเป็นคู่แข่งกันไปเขาก็กิเลสเราก็กิเลสว่าแข่งดีแข่งเด่นแข่งดีกันอะไรมันไม่มีความดีที่จะมาแข่งมีแต่ความชั่วมีแต่ฟืนแต่ไฟมาแข่งกันมันก็ร้อนพอๆกันนั่นละ